หัดให้มากกว่าหัดขอลูกรักคำที่พระท่านว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ขอย่อมเป็นที่รังเกียจเป็นความจริงแท้แน่ทีเดียวดูตัวเราก็ได้หากมีคนมาขออะไรเราครั้งแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พ่อมาขอบ่อยๆเข้าแม้จะเป็นเรื่องจำเป็น เราก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบใจแต่ตรงกันข้ามหากมีใครเอาอะไรมาให้เราบ่อยๆเรากลับชอบแม้ของนั้นจะเล็กน้อยไม่มีราคาค่างวดอะไรมากนะักเราก็พอใจตามในนี้หากลูกทาตัวเป็นผู้ให้มากกว่าผู้ขอได้แล้วลูกก็จะเป็นที่รักที่นับถือของผู้คนในที่นั้นๆตามในนี้ หากลูกทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าผู้ขอได้ลูกจะเป็นที่รักที่นับถือของผู้คนในที่นั้นๆ้เขาจะไม่รังเกียจลูกเลยลูกจะมีพวกพ้องมากเขาจะยอมรับลูกและบางทีเขาจะยกให้ลูกเป็นใหญ่เป็นผู้นำพวกเขาทั้งจะไม่ถูกข่มเหงรังแกจะมีคนคอยช่วยเหลือเมื่อมีกิจจะไม่ถูกโดดเดี่ยวให้อยู่ลำพัง ที่ถูกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องคิดว่าเราจะให้อะไรแก่เขาได้บ้างมากกว่าที่จะคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาบ้างเริ่มคิดเริ่มทำบ่อยๆนานข้าวก็จะเกิดความเคยชินจะช่วยอะไรคนอื่นจะให้อะไรคนอื่นก็ทำได้อย่างสะดวกจะไม่ติดขัดจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองคนที่คิดจะทาอย่างนี้แหละลกูก ที่จะได้รับผลอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นตรงกันข้ามหากทำตัวเป็นคนขี้ขอชอบรับมากกว่าชอบให้จะกลายเป็นคนใจแคบเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวชอบแต่ขออย่างนี้จะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปหาพวกพ้องได้ยากแม้จะมีคนมาคบหาด้วยก็เพียงเพื่อได้ผลประโยชน์ของเขาเท่านั้น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 แม้จะทุกข์เข็นอย่างไรก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งคงสมหวังได้เลื่อมตาอ้าปากกับเขาบ้างหากยังมีหวังอยู่แม้จะรอคอยนานเท่าไรก็รอได้แต่กว่าจะสมหวังก็อาจจะเลือดตาแทบกระเด็นหากลูกหวังอะไรไว้แต่ไม่ได้สมหวังดังที่คิดก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังเสียก่อนคนที่เขาสมหวังนั้นเพราะเขาไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้ถอยหลังเสียก่อน เดินหน้าไปหาความหวังเรื่อยไปเขาจิงได้สมหวังลูกคงเคยได้ยินมาบ้างคำพระที่ว่าคนเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร น, นั่นแหละริงแท้และลูกเอ้ยความผิดพลาดความล้มเหลวที่ประสบอยู่ม่ใช่ว่าจะทำให้หมดหวังเสียทีเดียวปรับใดที่เรายังไม่สิ้นหวังก็คงมีสักวันหนึ่งที่จะสมหวัง ถ้าสินหวังเสียแล้วก็จะหมดหวังโดยสิ้นเชิงพลาดแล้วก็แก้ตัวใหม่ล้มแล้วก็ลุกมาต่อสู้ใหม่อย่างที่เคยบอกลูกมาแล้วว่าหกล้มแล้วต้องหกลุกพลาดบ่อยๆล้มบ่อยๆแม้จะทำให้เจ็บตัวและท้อแท้แต่ก็ทำให้เราแร่งขึ้นเมื่อแร่งขึ้นแล้วต่อไปจะพลาดยากล้มยากตั้งตัวได้มั่นคง ตั้งใจไว้ตั้งสติไว้ท่องคาถาว่าสู้สูสู้เข้าไว้ใจก็จะเข้มแข็งขึ้นเมื่อใจเข้มแข็งแล้วร่างกายก็พร้อมที่จะสู้เดินหน้าสู้ความหวังได้เรื่อยไปสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางเองเมื่อเราก้าวไม่หยุดหากเราหวังและก้าวเดินเรื่อยไปฉันไหนจะไม่สมหวังเข้าสักวันเล่า ต่อสู้ต่อไปเถอะลูกเอ้ยจงใช้เงินอย่าให้เงินใช้ลูกรักสมัยนี้ใครๆก็เห็นเงินเป็นพระเจ้ากันทั้งนั้นเพราะเห็นว่าเงินเป็นสิ่งบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ และซื้อได้แม้กระทั่งใจคนคนทุกวันนี้จึงมุ่งแต่หาเงินกันทุกวิถีทางแม้จะต้องทำชั่วทำผิดแม้จะประกอบกรรมทำเข็นให้คนอื่นเดือดร้อนก็ยอมทำกันเพื่อให้ได้เงินมาโลกจึงร้อนจนแทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วเงินสำคัญก็จริงหลอกโลกแต่อย่าให้ความสำคัญแก่เงินจนลืมความดีลืมคุณธรรมและลืมข้อเท็จจริง เมื่อเราให้ความสำคัญแก่เงินมากไปเงินก็จะมาเป็นนายเราเมื่อเป็นนายเราเงินก็จะใช้เราบังคับเราให้ทำโน่นทำนี่ลูกดูตัวเองก็ได้เวลาเงินไม่มีลูกก็มีคิดอยากจะได้อะไรมากนักอยากได้อยากกินอยากซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นแต่พอมีเงินมากเข้าก็เริ่มอยากกินอยากใช้ของดีๆแปลกๆถูกเงิน บ, งบังคับ จนหัวหมุนไปโดยไม่รู้ตัวคนเราตอนไม่มีเงินมีเวลานอนพักผ่อนสบายทั้งคืนตอนมีเงินกลับไม่มีเวลานอนพักผ่อนก็น้อยแม้จะหาเวลาทานอาหารให้สุขสบายก็ยากตอนมีเงินน้อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่พอมีเงินมากเขากลับไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นนี่แหละลูกเอ้ยเงินมันใช้เรา เราเราไปหลงมันบางคนพอมีเงินเข้าก็คิดการใหญ่สั่งค่าคนบ้างเลี้ยงนักเลงบ้างทำตัวเป็นเจ้าพ่อบ้างนอกใจคู่ครองของตัวเองบ้างเงินมันใช้ให้ทำทั้งนั้นหากไม่มีเงินเขาอาจไม่คิดทำอย่างนั้นหรืออาจทำไม่ได้ด้วยดังนั้นลูกอย่าให้เงินมาเป็นนายใช้เราเราต้องเป็นนายของเงิน เป็นคนใช้เงินและใช้ในทางที่ถูกจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังการแก้แค้นลูกรักลูกคงเคยดูภาพยนตร์จีนกำลังภายใน ประเภทบูล้างผลาญแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาโดยถือคติว่าแค้นต้องชาระท้ายที่สุดก็ได้รับความหายนะล้มตายไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นเป็นเพียงภา พ, พยนตร์แต่ถ้าคิดให้ดีก็ให้คติเราเหมือนกันคือให้เห็นว่าความแค้นและการแก้แค้นนั้นไม่ดีเลยซึ่งก็เป็นความจริงลูกเอ้ยความแค้นนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอน ถ้าลูกไปมีความแค้นกับใครหรือมีใครมาทำให้ลูกแค้นเคืองถึงจะหนักหนาสาหัสอย่างไรถ้าทนได้ก็ทนไว้อย่าไปใส่ใจหมกมุ่นกับความแค้นนั้นนักมันทำให้เราว้าวุ่นขุนเคืองจนไม่มีความสุขไม่มีความสงบแล้วก็เสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์เพราะความแค้นเป็นไฟมันจะเผาลนจิตใจและให้ความคิดของเรา ให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาทำให้เราหมกมุ่นอยู่กับการคิดแก้แค้นเสมอเป็นตัวล้างผลานเวลาและความสุขในชีวิตและครอบครัวของเราแท้ทีเดียวลูกเอ๋ยใครมาทำให้เราแค้นปล่อยวางได้ก็ปล่อยให้อภัยได้ก็ให้อภยัยใจเราจะได้สบายสุขภาพจิตก็ไม่เสียการคิดแต่จะแก้แค้นเพียงเพื่อให้หายแค้น เพียงเพื่อความสะใจนั้นบางทีก็ทำให้สะใจและเป็นสุขใจได้ชั่วครูชัวช่ว ย, ยามเท่านั้นผลนพวงจากการแก้แค้นที่จะตามมาอาจทำให้เราทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็ได้เช่นแก้แค้นแล้วต้องหลบหนีเข้าสังคมไม่ได้แก้แค้นแล้วตัวเองต้องไปนอนอยู่ในคุกในตารางเป็นสิบปียี่สิบปีหรือตลอดชีวิตดูไม่คุ้มเลย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 ลูกรักคนเราถึงจะยากดีมีจนอย่างไรถึงจะลำบากลำบนอย่างไรชีวิตก็ต้องดิ้นรนไปแม้จะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองชีวิตก็ทุกเช่นเดียวกันคนยากจนคนมั่งมีล้วนมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่มีทุกข์กันคนละแบบเท่านั้นและทุกคนก็ต้องประกอบกิจต่างๆด้วยกันดีบ้างไม่ดีบ้างคละเครากันไปแต่ขอให้ลูกจำไว้ว่า ในช่วงชีวิตของเรานั้นอย่าทําสิ่งที่เลวร้ายเป็นภัยแก่ตัวเองและสังคมตลอดไปควรทําสิ่งที่ถูกต้องและก็ควรรักษาความถูกต้องไว้บ้างการทําสิ่งที่ถูกต้องและการรักษาความถูกต้องจัดเป็นความดีการทําความดีอย่างนี้แม้จะมีอุปสรรคและมีอันตรายมากมายแม้บางครั้งจะถูกขัดขวางทําให้เกิดความท้อแท้หมดกําลังใจที่จะทําต่อไป ก็ควรจะเสียสละตั้งสติตั้งใจให้แน่วแน่ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เพื่อให้ความถูกต้องดำรงอยู่ให้สิ่งที่ถูกต้องนั้นสำเร็จผลชั่วชีวิตคนเราแม้จะประกอบกรรมทําเข็ญไว้มากแม้จะถูกสังคมประนามยามเหยียดว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวหรือเป็นคนต่าต้อยด้อยฐานะอย่างไรก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่ง ที่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้รักษาความถูกต้องไว้ทำได้แม้ครั้งเดียวก็ยังนับได้ว่ามีความดีอยู่บ้างม่ใช่เลวไปซสีทั้งหมดและหากสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่สูงค้าก็ยิ่งน่าสรรเสริญ น, นักอาจถึงลบภาพความต่ำต้อยเก่าๆลงได้สิ้นเชิงดังนั้นขอให้ลูกจำไว้ก็แล้วกันเมื่อมีโอกาสทาสิ่งที่ถูกต้องได้ก็ทา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 ว่ามนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกลูกเองก็ต้องอยู่กับคนอื่นๆต้องมีพวกพ้องคอยช่วยเหลือเมื่อลูกอยู่กับคนอื่นลูกก็อย่าเป็นคนแ้งน้ำใจคืออย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวทำอะไรที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ทำขอให้ลูกถือคติโบราณที่สอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่าเล่น คตินี้ท่านแนะนําให้เป็นคนดีมีน้ําใจอย่านิ่งเฉยดูดายโดยเห็นว่าธุระไม่ใช่คนแล้งน้ําใจนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลจะทําประโยชน์อะไรให้แก่คนอื่นและสังคมไม่ค่อยได้ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยและทําได้ง่ายแต่ก็ไม่ทําจะมุ่งแต่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นและก็จะไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนคนมีน้ําใจจะตรงกันข้าม คือจะเป็นคนไม่ตระหนีแรงช่วยอะไรเข้าได้ก็ช่วยแม้จะดูเสียเปรียบบ้างก็ไม่คิดอะไรมากเกิดเป็นคนอยู่ในสังคมนะลูกเราต้องฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้อย่าเป็นคนแรงน้ำใจเช่นเห็นอะไรตกหล่นเกะกะขวางทางเดินเด็กเล็กผู้คนอาจจะชนอาจจะเหยียบเป็นอันตรายได้ก็หยิบวางกว้างทิ้งให้พ้นทางเสีย นี่คือความมีน้ำใจขับรถอยู่ตามถนนเห็นรถคันอื่นเขาจะเลี้ยวเข้าซอยก็หยุดให้เขาเลี้ยวไปเห็นคนกำลังเดินข้ามถนนก็หยุดให้เขาเดินไปก่อนนี่ก็เป็นความมีน้ำใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทำได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยแต่ที่ไม่ทำกันเพราะแรงน้ำใจใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ลูกเห็น ยาหูเบาลูกรักเมื่อใดลูกได้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาของคนลูกต้องระวังไว้อย่างหนึง่งซึ่งสำคัญมากคืออย่าหูเบาหมายความว่าอย่าเชื่ยคนง่ายๆอย่าตัดสินใจอะไรก่อนที่จะพิจารณาให้ถูกต้องท่องแท้ คำพูดคำแนะนําที่คนอื่นมาพูดให้ฟังนั้นต้องฟังหูไว้หูใช้สติใช้ตักแกลงร่อนให้ดีโดยเฉพาะคำพูดของคนใกล้ชิดยิ่งต้องระวังให้มากเพราะผู้ใหญ่ที่หูเบาต้องพังพินาศเพราะคนใกล้ชิดมามากต่อมากแล้วไม่ใช่ไม่ให้ไว้ใจคนใกล้ชิดเพียงแต่เตือนให้ระวังไว้เท่านั้นบางทีคนใกล้ชิดเราหรือว่าคนที่มาเล่านั้น เขาอาจจะมีแผนยืมมือของเราให้กำจัดศัตรูของเขาหรือไปยกย่องเพื่อนเขาก็ได้หรือคนของเราอาจจะไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วก็มายืมมือเราไปทําลายเขาก็ได้คนหลักลอย ลูกรักผู้ที่เป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นอกจากไม่ควรจะเป็นคนหูเบาแล้วยังไม่ควรเป็นคนหลักลอยด้วยที่ถูกควรยึดหลักแล้วก็รักษาหลักไว้ให้มั่นคงหลักที่ว่านี้ก็คือหลักธรรมสองอย่างได้แก่คุณธรรมกับยุติธรรมคุณธรรมคือหลักแห่งความถูกต้องยุติธรรมคือหลักแห่งความเที่ยงตรงผู้ใหญ่จะต้องยึดหลักนี้ไว้ คือมีคุณธรรมยึดความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่ยึดความถูกใจโดยทําอะไรตามใจชอบเป็นหลักและมีความยุติธรรมยึดความเที่ยงตรงเป็นหลักไม่เอ็งเองียงเข้าข้างด้วยอํานาจอคติผู้ใหญ่ที่ไม่ยึดหลักทั้งสองอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นคนหลักลอยมักจะถืออํานาจเป็นธรรมไม่ได้ถือธรรมเป็นอํานาจ ผู้ใหญ่ที่หลักลอยจะได้รับความเคารพนับถือและความจริงใจจากผู้น้อยได้อย่างไรจะน่านับถือน่าเคารพกราบไหว้ได้อย่างไรลูกควรคำนึงให้ดียึดหลักไว้ท่านว่าตายคาหลักดีกว่าเป็นคนหลักลอยธาดอารมณ์ ลูกรักใจคนเรานั้นมักหุนหันพลันแล่นบุ่มบามไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเอาแต่ใจตัวเองเป็นสำคัญจึงมักทำอะไรตามใจชอบทำตามอารมณ์หากทำบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์และเป็นาธาตุอารมณ์ในที่สุดเมื่อเป็นาธาตุของอารมณ์แล้วก็ถูกอารมณ์บงการอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขในชีวิตไม่ค่อยได้ คนที่เป็นธาตุอารมณ์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองเท่านั้นทําถูกคิดถูกคนอื่นผิดคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ยอมฟังใครหรือมักจะคิดว่าไม่มีใครทําให้ถูกใจได้เลยจึงต้องทํางานคนเดียวคนอื่นทําด้วยไม่ได้ไม่ถูกใจไปเสียทั้งนั้นนิสัยอย่างนี้และลูกที่เรียกว่าเป็นธาตุอารมณ์เป็นนิสัยที่ต้องทิ้งเสียให้เด็ดขาดไม่อย่างนั้น จะหาความสุขสงบทางใจไม่ได้เลยจะมีแต่ความว้าวุ่นขุนเคืองตลอดไปทำใจได้ก็ไม่เดือดร้อนลูกรักเวลาที่เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจ หรือมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดซึ่งต้องทำให้ได้เป็นอันดับแรกก็คือทำใจเราต้องทำใจให้ได้ก่อนแล้วคอ่คอยคิดแก้ไขปัญหาต่างๆภายหลังบางเรื่องแค่พอทำใจได้เท่านั้นทุกอย่างก็จบสิ้นถ้าเรายังทำใจไม่ได้ก็ป่วยการที่จะมาคิดแก้ปัญหาอาจยิ่งแก้ยิ่งยุ่งก็ได้วิธีทาใจก็คือตั้งสติให้ดี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 สติปัญญาตนเองลูกเอ๋ยอันความทุกนั้นมันเกิดขึ้นในใจใจเราไปยอมรับและยึดมั่นไว้ทุกจึงอาศัยใจเราอยู่อย่างสบายแต่ใจเราเองกลับเป็นทุกขเพราะไปแบกทุกไว้จนหนักอึ้งถ้าใจเราไม่ยอมรับไม่แยแสและไม่แบกมันไว้ใจเราจะเป็นทุกได้อย่างไร การเลือกคบคนลูกรักอันการครบหากันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องคบหากันเป็นเพื่อนกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่คนที่เราจะคบหาด้วยนั้นจะต้องเลือกให้มากดูให้ละเอียดดูนิสัยใจคออารมณ์ความคิดกิริยามารยาท เมื่อเห็นว่าดีจริงจึงค่อยคบหาเป็นเพื่อนสนิทหากว่าเขาบกพร่องไปบ้างจะคบหาเพียงรู้จักกันธรรมดาก็คงไม่เป็นไรการครบกับคนนั้นจะต้องรู้และแยกแยะให้เป็นคนบางคน ค, รครบได้แค่เป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเท่านั้นบางคนคบได้แค่เดินด้วยกันตามถนนบางคนคบได้แค่ประตูบ้านบางคนคบได้แค่ห้องรับแขกบางคนคบได้ถึงห้องนอนนอนด้วยกันได้ ลูกจะคบใครชอบใครจะคบกันแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของลูกแต่ท่านเตือนไว้ว่าคบคนเช่นใดจะเป็นคนเช่นนั้นและว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวอับปรีลูกพิจารณาดูเองก็แล้วกันความผิดหวัง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 แต่พวกเขาไม่เคยท้อแท้เมื่อผิดหวังลุกขึ้นมาต่อสู้มาลองใหม่จนได้รับความสำเร็จสมหวังขนาดคนสำคัญสำคัญเขายังเคยผิดหวังแล้วคนธรรมดาอย่างเราๆจะสมหวังในทุกเรื่องได้อย่างไรหากลูกต้องผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอให้ลูกคิดถึงความจริงข้อนี้อย่าท้อแท้ใจอย่าประชดชีวิตและอย่าไปโทษคนอื่น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 ยาเสน่ห์มหานิยมลูกรักคนไม่น้อยที่อยากได้ยาเสน่ห์มหานิยมเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีเสน่ห์มีคนรักนับถือมากและจะทำให้ทํามมาค้าขึ้นจึงสแสวงหายาเช่นว่านั้นความจริงยาชนิดนี้มีอยู่ในตัวของคนเราทุกคน แต่ว่าไม่รู้จักนำออกมาใช้ยาชนิดนี้ก็เป็นยาเสน่ห์ขนานแท้สามารถผูกมิตรผูกใจคนไม่ได้ทำให้เขารักใกล้หลงไหลจนไม่เจืดจางยาที่ว่านั้นคือความมีอัธยาศัยนั่นเองคนมีอัธยาศัยดีย่อมมีเสน่ห์ในตัวยามหาเสน่ห์นั้นประกอบด้วยตัวยาก็คือทักทายเขาก่อนยิ้มแย้มเมาพูดกับเขา แสดงความเอื้อเฟื้อที่จะช่วยเหลือเขาสนใจเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทำพอสมควรกิริยาอย่างนี้แหละที่เรียกว่าความมีอัธยาศัยใครทำได้คนนั้นย่อมมีคนนิยมนับถือมากผู้ไม่มีอัธยาศัยหรืออัธยาศัยไม่ดีก็จะมีแต่ศัตรูมีแต่คนเกลียดชังไม่อยากให้ความช่วยเหลือ ความมีอัธยาศัยดีเท่ากับมียาสเสน่ห์มหานิยมในตัวแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาหายาชนิดนี้จากที่ไหนๆอีกแล้วความสุดจริตลูกรัก เวลานี้มีสิ่งที่หาได้ยากยิ่งขึ้นทุกวันในโลกของเราเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรสิ่งนั้นคือความสุจริตในทุกวงการในทุกสังคมต่างก็ต้องการและแสวงหาความสุดจริตกันทั้งนั้นแต่ความสุจริตก็ยังหาได้ยากเต็มทีเมื่อหาได้ยากความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นทุกหย่อมยากความหวาดระแวงความเอารัดอเอาเปรียบกันจึงระบาดไปทั่วทุกหนทุกแห่ง สำหรับคนที่ยังมั่นอยู่ในความสุดจริตนั้นต่างก็ต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่อย่างไม่สบายใจนักต้องถูกกระแนะกรนะแหนก้าวร้าวให้หมดกำลังใจไปเรื่อยๆโดยไม่มีทางตอบโต้คนสุดจริตบางคนทนสภาพไม่ไหวต้องยอมเป็นหมาหางด้วนไปกับเขาด้วยอย่างน่าเสียดาย คงเหลือแต่คนที่จิตใจมั่นคงจริงๆเท่านั้นจึงจะกรองความสุจริตไว้ได้คนอย่างนี้แหละลูกเอ้ยที่น่ายกย่องแท้จริงไหว้ได้เต็มมือนับถือได้เต็มใจแต่ก็หายากเสีย จ, จริงๆขอให้ลูกยึดถือคนอย่างนี้เป็นแบบเธอแม้เขาจะดูด้อยสักจะดูสมศรอและยากจนแต่ก็มีศักดิ์ศรีสูงเคารพนับถือได้สนิทใจ แค่จริงความสุจริตนั้นเป็นเกราะป้องกันตัวเราได้คือป้องกันเราไม่ให้ตกไปในบ่วงแห่งความชั่วทุจริตมิให้ตกอยู่ในวังวนแห่งความเลวร้ายในสังคมทาให้ปลอดภัยจากการถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกลงโทษผู้มั่นคงอยู่ในสุจริตธรรมย่อมได้รับความนับถือจากคนทั่วไปไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องหวาดระแวง ทำมาหากินอะไรก็ทำได้โดยเปิดเผยความสุจริตเป็นเหตุให้คนเราเป็นอยู่อย่างปกติสุขไม่มีเวรมีภัยกับใครความสุจริตดีอย่างนี้ลูกจึงควรยึดไว้ให้มั่นแม้จะต้องฝืนใจแล้วก็อดทนประพฤติก็คุ้มภัยสามอย่าง ลูกรักผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันมาว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือกำลังตั้งหลักฐานนั้นจะต้องระวังภัยสามอย่างคือระวังไฟไหม้ระวังน้ำท่วมและระวังผีหลอกความจริงท่านสอนเป็นปริศนาเอาไว้มิใช่ให้ระวังไฟระวังน้ำหรือระวังผีธรรมดาไฟไหม้ห ม, หมายถึงบุหรีน้าหมายถึงสุราผีหมายถึงการพนัน ท่านให้ระวังไฟไหม้คืออย่าสูบบุหรีระวังน้ำท่วมคืออย่าดื่มสุราระวังผีหลอกคืออย่าเล่นการพนันภพยสามอย่างนี้เป็นตัวบันทอนอนาคตของคนเพราะว่าเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุแม้จะดูไม่มากแต่ก็เสียทุกวันทุกวันเงินทองที่หาได้ก็หมดไปโดยไม่จำเป็นทุกวันจึงทําให้ตั้งตัวได้ช้าหรืออาจจะไม่ได้เลย น้ำที่ซึมออกมาจากโงค์ที่รั่วแม้จะดูไม่มากแต่ซึมอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันไม่นานน้ำก็หมดโอ่งได้ฉันใดเงินทองที่ไหลออกโดยไม่จำเป็นทุกวันไม่ช้านานก็หมดไปได้ฉันนั้นภัยสามอย่างนี้แม้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้เสียผู้เสียคนหรือเสียอนาคตได้แล้วไม่จำต้องกล่าวถึงทาครบสามอย่างเลย แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยินดีให้ภัยเหล่านี้เข้ามาครอบงำทำลายตัวเองอยู่ได้ทุกเมื่อเชี่ยววันโดยไม่รู้สึกตัวหรือบางคนอาจจะรู้สึกตัวแต่ก็ถอนตัวไม่ได้ปล่อยให้เป็นาธาตของมันไปต้องเหนื่อยยากหามันมาปรนเปรืชีวิตช่างหน้าอนานักแล้วลูกเอ๋ยลูกทราบอย่างนี้แล้วขอให้ระวังภัยสามอย่างนี้ให้ดีก็แล้วกัน พิษภัยจากบุรีลูกรักเมื่อพูดถึงบุรีแล้วย่อมทราบกันดีอยู่ว่าเป็นสิ่งมีพิษในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มลังเกียจไม่ยอมให้ใครมาสูบบุรีกันตามใจชอบเหมือนเมื่อก่อนถึงกับออกกฎออกระเบียบห้ามสูบบุรีในที่บางแห่ง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอื่นข้อนี้ทำให้คนสูบบุหรีเดือดร้อนพอสมควรคนที่ไม่สูบบุหรีก็เห็นว่าคนสูบบุหรีเป็นผู้ก่อพิษภัยให้แก่เขาแต่คนสูบเห็นว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาดังนี้จึงยังสมัครใจสูบกันอยู่ทั้งที่รู้ถึงโทษและพิษภัยของมันดีทั้งที่ทราบว่าบุหรีเป็นตัวผลานเงินทองแบบผ่อนสง ทำลายสุขภาพและจะทุกข์ทรมานก่อนตายแต่ก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะติดจะแล้วลูกเองก็อย่าให้บุรีมาทำลายลูกได้หากยังไม่ติดก็อย่ารีอ่านไปติดมันเข้าถ้าติดอยู่แล้วก็พยายามเลิกให้ได้การไม่ติดบุรีเลยนั้นทำให้มีอิสระเป็นตัวของตัวเองและก็ไม่เสียบุคลิกด้วย พวกบางช่างยุลูกรักในสังคมเราทุกวันนี้มีคนประเภทหนึ่งที่ชอบพูดจาทำให้คนอื่นทะเลาะ ก, กันหรือว่าแตกแยกกันมันเป็นความสุขของเขาที่เห็นคนอื่นหัวปั่นไปตามลมปากของเขาได้โบราณเรียกคนพวกนี้ว่าบางช่างยุ ทางาศาสนาเรียกคนที่สอดเสียดคือคนที่นําคําพูดของคนนี้ไปบอกคนโน้นนําคําพูดของคนโน้นกลับมาบอกคนนี้พร้อมทั้งต่อเติมเสริมแต่งเนื้อหาให้น่าเชื่อเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ว่าไปคนที่เชื่อคําพูดของคนประเภทนี้ก็มักจะทะเลาะกันเข้าใจผิดกันและเกลียดกันไปเลยก็มีทั้งที่ความจริงต่างฝ่าย ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยแต่คนส่อเสียดทำให้วุ่นไปเองจึงต้องระวังคนประเภทนี้ไว้ให้มากอย่าไปหลงคารมใครง่ายๆทำหูให้หนักฟังหูไว้หูเป็นดีที่สุดใครมาเล่าเรื่องคนโน้นคนนี้ให้ฟังก็ฟังไว้เฉยๆไม่ควรไปต่อความยาวสาวความยืดหรือเก็บเอามาใส่ใจเราจะพลอยบ้าไปด้วยดูไม่ฉลาดเลย และที่สำคัญที่สุดก็คือระวังตัวเราอย่าให้กลายเป็นคนส่อเสียดหรือเป็นบางช่างยุซิเองเท่านั้นดีชั่วลูกรักเมื่อเราต้องการให้ชีวิตเราดำเนินไปด้วยดี มีผู้คนนับถืออยู่เย็นเป็นสุขในสังคมโดยที่สุดต้องการให้ครอบครัวเราสงบอบอุ่นก็จำเป็นต้องทำตัวของเราเองให้ดีไว้ก่อนเราจะทำดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีจึงจะทำดีถูกทำนองเดียวกันเราต้องรู้ว่าอะไรชั่วด้วยจะได้ไม่ทำเรื่องดีชั่วนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิต อะไรดีอะไรชั่วต้องแยกแยะให้ออกแยกแยะให้เป็นถ้าแยกแยะไม่ออกจะทำให้สำคัญผิดไปได้คือเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีไปซึ่งก็มีอยู่มากที่เห็นอย่างนี้จึงทำให้หลงผิดไปทำให้ชีวิตต้องผันแปรไปทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นถึงล่มสลายก็มีทำให้ผู้คนรังเกียจที่จะคบหาก็มี อันที่จริงความดีความชั่วคนดีคนชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่ใกล้ชิดกันมากบางทีก็อยู่ในตัวคนเดียวกันซด้วยซ้ำแต่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเหมือนเหรียญสองหน้าแม้แต่ละหน้าจะอยู่ใกล้ชิดติดกันและก็อยู่ในเหรียญอันเดียวกันก็ไม่ปนกันเข้ากันไม่ได้ดีชั่วก็เช่นเดียวกันบางทีก็แยกแยะแทบไม่ออก แต่ก็ต้องพยายามแยกแยะให้ออกไม่อย่างนั้นจะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีการเห็นอย่างนี้โบราณเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะแยกไม่ออกว่ากงจักเป็นอย่างไรดอกบัวเป็นอย่างไรช่วยเหลือตัวเอง ลูกรักการช่วยเหลือตัวเองเป็นเรื่องดีลูกควรพยายามทำอะไรด้วยตัวเองข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่อยู่ส่วนตัวถ้าซักล้างทำความสะอาดด้วยตัวเองได้ก็ควรทำการหุงหาอาหารการไปไหนมาไหนและแม้งานการต่างๆถ้าทาเองได้ก็เป็นการดีฝึกให้เป็นเข้าไว้ก่อนเมื่อตัวเราเป็นแล้วจะไปใช้ให้คนอื่นทำ ให้คนอื่นรับภาระไปก็ได้ขอให้เราทำเป็นไว้ก่อนหากเมื่อใดไม่มีคนจะทำให้เราเราก็ทำของเราเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเดือดร้อนนั่งรอนอนรอให้คนอื่นมาช่วยการช่วยตัวเองได้เป็นการแสดงถึงความสามารถขั้นพื้นฐานของคนเราแค่ช่วยตัวเองยังไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นได้อย่างไร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 และจะยืนหยัดต่อสู้โลกได้ทุกรูปแบบการบริหารเวลาลูกรักเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกผ่านแล้วก็ผ่านเลยหมดแล้วก็หมดเลย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 หรือบริหารเวลาไม่เป็นเวลาที่ผ่านเลยไปนั้นอาจจะเป็นความสูญเสียโอกาสอันสำคัญในชีวิตที่เราพึงได้รับตอบแทนอย่างคุ้มค่าก็ได้แต่เราก็ให้ผ่านไปเฉยๆอย่างน่าเสียดายทุกคนมีเวลาและได้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเป็นเดือนได้รับจานวนเท่ากันไม่มีใครได้เวลามากเป็นพิเศษกว่าใคร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 เร่งทำสิ่งที่ควรทำเสียแต่วันนี้ดังนี้เป็นต้นเท่ากับแนะนำให้บริหารเวลาให้เป็นนั่นเองคาถาประทับใจลูกรักอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไร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 หรือไปทำงานด้วยถ้าเราสร้างความประทับใจไว้ให้เขาได้เราจะอยู่อย่างสบายจะมีแต่คนรักมีแต่มิตรไม่มีศัตรูตรมกันข้ามถ้าเราสร้างความหนักใจไว้ให้เขาก็จะมีแต่คนรังเกียจอยู่ไม่เป็นสุขวิธีสร้างความประทับใจก็คือสร้างความเสียสละไม่เห็นแก่ได้พูดจาให้ดีเข้าไว้ช่วยเหลือเขา เป็นการเอียงกับทุกคนไม่ถือเนื้อถือตัวสงเสงี่ยมเจียมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรักษาสมบัติผู้ดีทำได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายทำงานที่ไหนก็ทำได้สบายถึงเราจะต้องจากกันเขาก็จะอาลัยและคิดถึงเข้าทำนองอยู่เขาก็รักจากเขาก็คิดถึงสำคัญก็คือ เราจะได้พวกได้เพื่อนที่มีความจริงใจมากขึ้นหากเราเป็นคนใจแคบไม่เสียสละเราก็จะอยู่อย่างลำบากขาดพวกขาดเพื่อนที่แท้จำคาถามาหาเสน่ห์ข้างต้นไว้แล้วก็ทำให้ได้เราจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปโดยปริยายความถือตัว ถือตัวหมายถึงความคิดเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นหรือเอาคนอื่นมาเปรียบกับตัวความถือตัวนั้นมีสามประการคือคิดว่าตัวเองนั้นเด่นกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นและคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นความคิดสามประการนี้ล้วนไม่ดีทั้งสิ้นเพราะ that, ถ้าคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นจะทำให้เกิดความทนงตัวว่าคนอื่นนั้นสู้ตนเองไม่ได้ ทำให้เกิดความลำพองใจทำอะไรตามใจชอบแสดงกริยาท่าทางดูถูกเหยียดหยามคนที่ด้อยกว่ากลายเป็นคนหญิงยะโสได้ง่ายถ้าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอื่นเด่นกว่าตัวทำให้เกิดความห่อเหี่ยวใจเกิดความท้อแท้ไม่กระตือรือร้นปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเหมือนสวะลอยน้า ทำให้เขาดูถูกเอาได้ถ้าคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นจะทาให้เกิดความลำพองใจไม่เกรงใจใครไม่อ่อนน้อมให้ใครและไม่ยอมรับฟังเสียงใครเพราะถือว่าตัวเองก็เท่าเทียมคนอื่นคนอื่นก็เหมือนกับตัวคนอื่นก็ไม่เหนือไปกว่าตัวความคิดทั้งหมดนี้ล้วนไม่ดีทั้งสิ้นในทางที่ถูกคนเราคว ร, รเคารพเชื่อฟังอ่อนน้อม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 คนที่รักเราจริงลูกรักคนที่รักเราจริงหรือไม่จริงนั้นอย่าดูแค่คำพูดของเขาเท่านั้นคำพูดเป็นเพียงลมปากซึ่งอาจผันผวนเปลี่ยนแปลได้คนที่พร่ำว่ารักเราเห็นอกเห็นใจเราหรือเคารพนับถือเรานั้นอาจเป็นเพียงลมปาก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 คนที่บอกว่ารักเราจะไม่ได้รักเราจริงหรือคนที่ไม่เคยบอกรักเราจะรักเราจริงเพียงต้องการบอกให้รู้ว่าใครจะรักเราหรือไม่รักเราไม่ใช่อยู่ที่คำพูดไม่ใช่อยู่แค่ลมปากแต่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การแสดงออกของเขาด้วยต้องดูควบคู่กันไปทั้งคำพูดและการกระทำคนที่ดีต่อเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง คอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราปกป้องเราและยกย่องเราทั้งต่อหน้ารับหลังไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละเรียกว่ารักเราจริงเขาจะพูดว่ารักเราหรือไม่พูดไม่สำคัญส่วนคนที่ดีต่อหน้ารับหลังนินทาเราไม่สนับสนุนยกย่องเราจริงพูดจาดีต่อเราเพียงเพื่อจะใช้เราประเภทปากอย่างใจอย่าง ปากกับใจไม่ตรงกันนั่นแหละคือผู้ไม่รักเราจริงถึงปากจะบอกว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้ในเรื่องนี้เราต้องระวังใจของเราเองอย่าหลงไหลได้ปลื้มไปกับครรมของใครง่ายๆจะเสียแรงและเสียใจไ ป, ปเปล่าๆ เห็นกงจากเป็นดอกบัวลูกรักลูกคงเคยได้ยินคำว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวมาบ้างคำนี้มาจากตำนานทางพระพุทธศาสนาความเดิมมีว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตแม่ไปค้าขายทางทะเลแม่ไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าทะเลมีอันตรายจึงห้ามปราม เขาไม่พอใจจนถึงผลักแม่ล้มกระเด็นไปแล้วก็ออกเดินทางต่อมาเรือที่เขาโดยสารไปนั้นเกิดอับปางลงเขาว่ายน้ำไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนั้นเป็นเกาะนารกเป็นสถานที่ลงโทษคนที่ทุบตีพ่อแม่สัตว์นรกบนเกาะนั้นจะถูกกองจากหมุนบทศรีระได้รับความเจ็บปวดทรมานอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็เกิดใหม่เรื่อยไป ชายผู้นั้นเห็นกงจากเป็นดอกบัวที่สวยงามไปด้วยบา ป, ปกรรมที่ทำร้ายแม่จึงเข้าไปขอกงจากจากสัตว์นรกผู้หนึ่งสัตว์นรกนั้นคิดว่าคนผู้นี้คงจะทุบตีพ่อแม่มาเหมือนตนจึงได้เห็นกงจากเป็นดอกบัวไปและจะมารับโทษต่อจากตนจึงยกกงจากให้เขาถูกกงจากบทศีระจึงรู้ว่าเป็นกงจากแต่ก็สายเสียแล้ว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 คนทั่วไปเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ถูกเป็นเรื่องเสียหายแต่เขากลับเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเป็นเรื่องถูกไม่เสียหายอะไรความเห็นของคนทั่วไปไม่ถูกแล้วก็หลงตัวไปทำเข้ากว่าจะรู้ตัวเองเห็นผิดก็มักจะสายแก้ตัวไม่ได้แล้วคำโบราณคำนี้มีค่ายิ่งนักแล้วลูกเอ้ย ช้าเสียการนานเสียเกียรติลูกรักคำว่าช้าเสียการนานเสียเกียรติเป็นคำสำหรับเตือนใจคนทำงานคืองานบางอย่างต้องรีบทำช้าไม่ได้ต้องทำแข่งกับเวลาหรือต้องใช้เวลาไม่มากช้าไปจะไม่ทันการหรือทำให้เสียหายได้ถ้าทำพอดีกับเวลา จึงจะสําเร็จเป็นผลดีเช่นการเก็บเกี่ยวพืชผลต้องรีบเร่งทําตามกําหนดได้อายุได้ขนาดแล้วหรือสุกแล้วก็ต้องรีบจัดการเก็บเกี่ยวให้เสร็จโดยเร็วปล่อยทิ้งเกินเวลาไปก็จะเน่าเสียหรือร่วงหล่นไปโดยไม่ได้ประโยชน์แม้งานอื่นต้องรีบเร่งก็เช่นเดียวกันที่กล่าวมานี้ก็เพื่อให้ลูกรู้จักใช้เวลาให้เหมาะกับงานให้รู้จักคุณค่าของเวลาบริหารเวลาให้ดี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 ขอยย้ำให้ลูกเห็นความสำคัญของเวลาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเงินทองนั้นผ่านมือไปแล้วอาจเรียกคืนหรือหาใหม่ได้ส่วนเวลาผ่านแล้วก็ผ่านเลยเรียกคืนไม่ได้แม้จะมีวันเวลาต่อไปก็เป็นเวลาใหม่ซึ่งควรจะเป็นเวลาทำงานอย่างอื่นแต่ยังต้องใช้เวลาใหม่นั้นทำงานเก่าอยู่ชื่อว่าขาดทุนเวลาไปแล้ว ช้าเป็นการนานเป็นคุณลูกรักมีอีกคำหนึง่งสำหรับเตือนใจคนทำงานคำว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณซึ่งคู่กับคำว่าช้าเสียการนานเสียกิจดังได้บอกลูกไว้แล้วคำว่าช้าเสียการ นานเป็นคุณน้หมายความว่างานบางอย่างจะต้องทำด้วยความรอบคอบต้องทำไปตามระยะเวลาจะรีบเร่งทำไม่ได้เพราะถ้ารีบเร่งทำอาจจะทำให้ผิดพลาดบกพร่องหรือล้มเหลวได้ต้องทำแบบใจเย็นเย็นต้องรอเวลาด้วยว่างานบางอย่างต้องรอเวลาขึ้นอยู่กับเวลามีกำหนดเวลาเข้าไว้เช่นในยามเจ็บป่วยหมอบอกว่าต้องพักฟื้นห้ามทางานหนัก ห้ามเดินทางเท่านั้นเท่านี้วันก็ต้องพักต้องหยุดไปตามนั้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตอนนี้สบายแล้วสามารถทำได้เดินทางได้ก็ต้องรอจนกว่าจะครบวันตามที่หมอกำหนดหากเราใจร้อนขืนไปทำงานหนักหรือเดินทางเข้าอาจเกิดความเสียหายแก่สุขภาพได้ความเจ็บไข้าอาจกลับมาและรุนแรงกว่าเก่าก็ได้รอสักหน่อย ช้าไปสักนิดคงไม่ทําให้เสียการหรือเกิดโทษตรงข้ามกลับทําให้เป็นการคือเกิดคุณแก่ตัวเองคือทําให้หายโรคได้ติดขาดด้วยเหตุนี้ท่านจึงเตือนสติเตือนใจไว้ว่าถึงกราวช้าก็ต้องช้าถึงกราวรอก็ต้องรอถึองกล่าวเร่งก็ต้องเร่งในบางครั้งเราอาจเกิดความรําคาญ เมื่อเห็นคนอื่นทำงานอ่ดอาดยืดยาดไม่ทันใจแต่เราอาจไม่ทราบว่างานที่เขากำลังทำอยู่นั้นเป็นงานต้องใช้เวลาเพื่อพิ จ, จารณาเพื่อไตร่ตรองให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเขาจึงทำอย่างใจเย็นด้วยถือคติว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณน่าเอาอย่างเสด้วยซ้าไป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 เราก็สามารถสร้างงามอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาทดแทนได้คือสร้างใจให้งามเพราะงามมีสองอย่างก็คืองามนอกกับงามในงามนอกคือรูปงามงามในคือใจงามรูปงามเป็นเรื่องของบุญเก่าส่วนใจงามเป็นเรื่องบุญใหม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เองเกิดเป็นคนแม้หากรูปไม่งามก็อย่าเป็นคนใจไม่งามตามไปด้วย จะไม่ดีอะไรเลยทําตัวเป็นคนใจงามเข้าไว้ก่อนแหละดีคนใจงามก็คือคนมีน้ำใจมีจิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ถือสาเมื่อผู้อื่นทำผิดพลาดไม่โกรธเคืองเมื่อคนอื่นล่วงเกินไม่เก็บเรื่องไร้สาระเอามาเป็นอารมณ์ปล่อยวางได้ไม่คิดอาฆาตมาดรายและไม่นําเรื่องไม่ดีของคนอื่นมานินทาว่าร้ายให้เขาเสียหาย กล่าวโดยรวมก็คือเป็นคนมีความละอายใจเกรงกลัวบาปมีความอดทนสงบเสงี่ยมเจียมใจคนใจงามเช่นนี้แม้รูปร่างจะไม่งามแม้จะยศน้อยด้อยสักก็เป็นคนงามเป็นคนเด่นพอที่จะคบหาสมาคมและเคารพนับถือได้สนิทใจขอให้ลูกรู้ไว้ว่ารูปงามดึงดูดตาใจงามดึงดูดจิต รูปงามอยู่ได้ชั่วคราวใจงามอยู่ได้ตลอดกาลทั้งนี้เพื่อได้ปรับแต่งตัวเองให้เป็นคนใจงามควบคู่กันไปกับแต่งให้รูปงามความจงรักพักดี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 ก็ยิ่งประเสริฐมากขึ้นอันความซื่อสัตย์ซื่อตรงนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่เป็นเรื่องจะต้องมีต้องทำแต่ความจงรักภักดีเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากหน้าที่และบังคับกันให้มีไม่ได้ความจงรักภักดีเกิดจากจิตใจที่ศรัทธาและรักเคารพเจ้านายด้วยใจจริงและเมื่อมีความจงรักภักดีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์ และซื่อตรงต่อเจ้านายด้วยใจจริงอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือไปจากทำตามหน้าที่ดังนั้นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงและความจงรักภักดีต่อเจ้านายนั้นนับได้ว่าเป็นลูกน้องที่ประเสริฐหาได้ไม่ง่ายนักเมื่อลูกทำงานอยู่กับใครหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีมีเมตตาการุณาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือได้อย่างเต็มภาคภูมิ ก็ขอให้ลูกซื่อสัตย์ซื่อตรงและจงรักภักดียอมมอบกายปฏิบัติหน้าที่รับใช้เขาให้ดีเถอะแล้วลูกจะไม่ผิดหวังผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจงรักภักดีนั้นจะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะได้รับการยกย่องและสนับสนุนให้สูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอน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 คนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามดื่มกินเข้าไปแล้วก็ต้องตายทั้งสิ้นเวรกรรมเป็นเรื่องที่เราทําเอาไว้จงใจบ้างไม่จงใจบ้างทําบ่อยครั้งเข้าก็สั่งสมไว้นานเข้าก็ส่งผลทําให้ผู้ทํานั้นได้รับความเดือดร้อนบางครั้งทําให้วิบัติเสียหายบางคราวทําให้เสียชีวิตไปเลย เหมือนคนที่บริโภคอาหารที่มีสารพิษเข้าไปตอนแรกก็ไม่รู้สึกตัวแต่นานเข้าบ่อยเข้าพิษก็สะสมอยู่ในร่างกายนั้น mm. ก็จะค่อยๆ อ, ออกฤทธิ์ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่างๆดังที่รู้เห็นกันอยู่เวลาที่เวรกรรมออกฤทธิ์ทำให้ผู้ทําเวรทํากรรมนั้นประสบอันตรายหรือได้รับความทุกข์ทาให้ผิดหวังเสียแรงเปล่าได้หรืออาจจะเป็นแรงกระตุ้น ให้ทำในสิ่งที่ผิดเพื่อให้สำเร็จตามที่ต้องการก็ได้ดังนั้นเมื่อเราจะไฝฝันเรื่องอะไรก็ควรมีขอบเขตดูความเป็นไปได้และดูฐานะภาวะของตัวเองควบคู่ไปด้วยหากไฟฝันจนเกินวิสัยหรือเกินภาวะของตัวก็อาจจะ ก, กลายเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือความทะเยอทะยานไปได้เมื่อเป็นเรื่องเพ้อฝันโอกาสที่จะสมหวังก็มีน้อย เมื่อไม่สมหวังก็อาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ในชีวิตได้ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ควรสร้างความใฝ่ฝันไว้เพราะสิ่งที่ใฝ่ฝันไว้นั้นจะเป็นเสมือนจุดหมายในการดำเนินชีวิตให้เราเป็นเป้าหมายให้เราเดินไปหาดีกว่าเดินไปโดยไร้จุดหมายไร้ทิศทางสำคัญอย่าให้ความใฝ่ฝันเป็นเรื่องเพ้อฝันไป